อาจารยวัตอันนี้ ค, ค, คือความเป็นมาของวินยัยถ้าเราศึกษาในหลักพระวินัยดูแล้วโอ้มีกฎมีระเบียบมีกฎเกณฑ์นะจากนั้นพระอุปชาครูบา <c oughs> ครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะ <c oughs> น่าคิดกลุ่ระบทุที่มาเป็นนาคมาเป็นนาคท่านไม่ให้สอนวินัยก่อน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 อย่างนั้นไปอีกนะเนี่ยมันมีหลายหลายแนวล้วเกินนะันเชิงในหลักในหลักพระธรรมวินนะัยจากนั้นเมื่อบวชก็มาแล้วอุปชาก็สอนธรรมสอนธรรมคือแนวความคิดสมาธิธรรมให้กรรมาฐานห้าเกษาโลมานาฆาทันตาตาโจเกสาผมเกโลมาข น, นะคาเลบทันตาฟันตโจหนังเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่จิรังถาวร น, นะ ถ้าไม่ดูแลรักษาในสกปรกปฏิโกณได้ง่ายอันนี้ประชาสอนสอนธรรมแต่อาจารย์เนี่ยสอนวินัยเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องอยู่ในขอบขอบอหลักพระธรรมวินัยนะอนิสัยสีอก g r e g a t e a g g r e g a t จิตที่ควรทําและกิจที่ไม่ควรทําของพระต้องปฏิบัติตนหลังตั้งต่อไปนี้เนี่ยเมื่อวานหลวงพ่อที่เป็นอาจารย์หลวงพ่อก็สอน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 เมื่อสอนนั่นก็คือหน้าที่จากนั้นก็ดูแลดูแลกุ่ระบุตรให้อยู่ในนิสัยเรียกว่าอาจาริโยเมพันเตโฮหฮิขอท่านอาจารย์จงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้านะเนี่ยแอบไก่ฟอภาระของท่านอาจารย์มีอะไรผมจะเป็นผู้รับใช้เป็นผู้รับดูแลนะีอันนี้ก็คือขอนิสัยถ้าว่ายังไม่ถึง5ปี ท่าน ต, ต้องขออนิสัยถ้าเกิน5ปีไปแล้วว่านิสัยมุตตะะพนิสัยนี่แหละอันนี้ก็คือพระวินัยของพระพุทธเจ้านะคณะทศไทายญาติโยมลูกหลานพระเนทุกวงนะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษากฎระเบียบวินยัยถ้าพระสงฆ์อยู่ในกฎในระเบียบวินัยแล้วดูแล้วมันสวยงามศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใด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 ถ้าว่ามีมันมีพระวินัยอยู่มีกฎระเบียบอยูอ่ก็ต้องมอีทำคำสอนของรธธอพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระเนนลูกหลานทุกองต้องอยู่ในเกราะหลักพระธรรมวินยัยเมื่อเราเป็นคราวาสเมื่อเรายังไม่บวชเราเห็นพระโตโ ต, โตเตะออกนอกตรูนอกทางเราก็คิดตำหนิเขานะ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 สิ่งที่ไม่เคยไม่น่าจะทำก็ทำหลวงพ่อก็แปลกใจอีกเหมือนกันในฐานะที่เป็นอาจารย์เอสมัยเมื่อเป็นคราวญตํา น, นิพระแต่ตัวเองพอบวชเข้ามาแล้วทำไมทำอย่างนี้วะหลวงพ่อคือนองมองๆนะพอหลวงพ่อก็ยังยังพอจำได้อยู่ใช่ไหที่เขาพูดยังไงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ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 ผู้บรจาร์ท่านตอบไม่ได้นะท่านตอบไม่ได้ท่านก็ต้องเอามาเอามาศึกษาดูสิกขาบทไหนเป็นยังไงถ้าเมื่อใดท่านได้ศึกษาดูแล้วนะท่านก็จะได้พูดได้แนะนําบอกกล่าวได้เพราะฉะนั้นบางทงีบางสิง่งบางอย่างเรื่องกฎฟิตกฎและวินยนะัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งนะอยู่ในเนี่ยนะ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 วัดบวรที่ท่านพิมพ์ออกมาอันนี้ท่านย่นย่อย่อนย่อเรื่องหลักพระธรรมวินัยเอาแต่ใจความเราอ่านมามากแล้วแต่นี้เรามีแต่ท บ, ท, บทวนความจําก็คงที่อ่านแต่เฉพาะเฉพาะที่ว่าตัวที่สั้นๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจให้เพราะเราได้อ่านเรื่องวินัยที่อธิบายยืดยาวมาแล้วนะ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 แต่ถ้าออกนอกลู่นอกทางแล้วก็หน้าตาหนิอีกเหมือนกันนะพระไม่อยู่ในสินในวินยนะัยพรนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เ, เหล่านี้นะแต่ถึงยังไงก็ตามขอตักกล่าวย้ำเตือนถ้าเราไม่รู้จริงนะถ้าเราไม่รู้จริงเราให้นิ่งไว้ก่อน อ, อย่าไปพึ่งวิจารณอย่าไปพึ่งตาหนิเว้นเสียจิตจุดนั้นมันเป็นจุดที่เสียหาย